สวัสดีค่ะ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 ตรงกับวันพุธ ท, ที่11เดือนธันวาคมพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้รายการของเรานะคะนำเคล็ดลับการใช้ภาษาอังกฤษมาฝากผู้ฟังกันนะคะค่ะสำหรับช่วงแรกนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบทสนทนาดีๆค่ะเป็นการสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการปลูกผักนะคะ ค่ะแล้วเรามาดูนะคะบทสนทนาเกี่ยวกับการเพาะปลูกนะคะหรือปลูกผักนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวดิฉันนะคะจะบทสนทนาดิฉันจะเป็นมาสเตอร์นะคะคือเป็นแม่นะคะเป็นมาสเตอร์ค่ ะ, คะส่วนคุณพุทธนาทนะคะก็จะเป็นหน่อยนะคะมีชื่อว่าหน่อยค่ะนะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีฟาเธอร์ด้วยนะคะมีหลายบทละครมากเลยนะคะมีนิดด้วยนะคะมีหลายตัวละครมากเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะที่ตัวดิฉันนะคะจะเป็นแม่นะคะเป็นมาร์เธอร์ก่อนนะคะเราก็อาจจะคุยกันนะคะเรื่องปลูกผักค่ะอย่างเช่น shall we have a vegetable garden this year อีกหนึ่งครั้งนะคะ shall we have a vegetable garden this year นะคะแม่ก็ถามว่าปีนี้เนี่ยเราจะทำสวนผักกันดีไหมค่ะส่วนดิฉันนะคะก็จะใช้บทบาทเป็นลูกนะคะก็อาจจะเสนอความคิดนะคะว่า yes it's fun to garden Yes, it's fun to garden. ทำสิครับคุณแม่ทำสวนสนุกดีและเราอาจจะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่า I like to water vegetables. I like to water vegetables นะคะก็คือบอกไปว่าตัวหนูเนี่ยชอบรดน้ำผักค่ะตรงนี้นะคะมีการใช้กริยา water นะคะที่แปลว่าให้น้ำนะคะหรือว่ารดน้ำนั่นเองค่ะ บทต่อมาจะเป็นบทของพ่อเธอคือพ่อนั่นเองค่ะพ่อก็อาจจะบอกว่า yes it's fun to garden but it hard work too อีกครั้งนะคะ yes it's fun to garden but it hard work too พ่อก็อาจจะบอกว่าเออใช่การทำสวนนี่มันสนุกนะแต่มันก็เป็นงานที่หนักเหมือนกันเลยนะคะก็คือในที่นี้นะคะเราจะใช้ ทูการ์เด้นนะคะใช้ทูตามด้วยการ์เด้นนะคะก็คือแปลว่าการทำสวนก็ได้ค่ะค่ะและบทลูกต่อมานะคะ let's grow corn like we did last year further หนึ่งครั้งนะคะ let's grow corn like we did last year further ตรงนี้นะคะลูกนะคะก็ เสริมวที่ว่าขอให้เรานะคะปลูกเข้าวโพดเหมือนปีที่แล้วนะคะพ่อ let's ตรงนี้นะคะตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งนะคะคือเป็นการเชิญชวนนะคะชวนกันนะคะชวนกันทำอะไรนะคะ let's grow นะคะ grow ก็คือเพาะปลูกนั่นเองค่ะปลูกตรงนี้ปลูกอะไรนะคะก็คือปลูกขอนนะคะขอนที่แปลว่าข้าวโพดนั่นเองนะคะ like ก็คือเหมือนกับนั่นเองนะคะเหมือนกับวิดดิลลาเซียนะคะเหมือนกับที่เราได้ทำไปเมื่อปีที่แล้วนะคะ ไอ้ไร่ขอนนะคะเราอาจจะเสริมเหต็ดพนนะคะเพื่อให้ดูหนักแน่นมากยิ่งขึ้นคะ่ะไอ้ไร่ขอนนะคะใส่เอสด้วยนะคะหนูเนี่ยชอบเข้าพวโพดนะคะ How good an ear of corn tastes when it's cooked and eaten soon after its peak นะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะ How good an ear of corn tastes e スゴー to tomatoes, too。 I like them very much 私はとてもนきです。 เมื่อกี้ประโดยคต่อมานะคะหน่อยเนี่ยก็ได้พูดว่า I like them very much นะคะ I like them very much ตัวนี้ก็คือแทนคำว่าเมะเขือเทศนั่นเองค่ะในที่พูดถึงไปตอนแรกนะคะว่า Let's go to market too I like them very much ค่ ะ, คะและคุณพ่อเนะะี่ยค่ะก็อาจจะบอกว่า I'm afraid we couldn't grow corn this year นะคะ I'm afraid ก็คือพ่อเนี่ยเกรงว่ากลัวว่านะคะ วีคือดิ่นนะคะวีคือดิ่นเราจะไม่สามารถ grow ขอนเพราะปลูกเข้าวโพดดิสเยียนะคะในปีนี้ได้นะคะ our mango trees นะคะ our mango trees are grow up and we wouldn't have enough room for growing ขอนนะคะตรงนี้พ่อก็บอกว่าต้นมะม่วงของเราเนี่ยก็โตขึ้นแล้วนะคะ mango trees นะคะก็คือต้นมะม่วงคะ่ะ mango trees Grow up ก็คือโตขึ้นนะคะ And we wouldn't have enough room นะคะและเราเนี่ยก็ไม่ได้มีที่พอนะคะที่จะ growing corn นะคะในการที่จะเพาะปลูกข้าวโพดนั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะลูกชนิดนะคะก็เลยเสนอนะคะบอกว่า But we have enough room under the trees don't we อีกหนึ่งครั้งนะคะ But we haveenough room under the trees, don't we? にににねににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににに There wouldn't be enough s u n s h i n e There w o u loo h sunshine。かっぱさんしゃいかっぱは s u n o u g h ลูกはะうะก็เลยเสริมต่อไปอีกวにา s h a てる we go c a b と a g e in in garden garden our too go our too verb cabbage shall a we what ไหม พ่อก็เลยเสริมนะคะฝาเธอนะคะเสริมบอกว่า Onions would be nice too they don't need too much caring for อีกหนึ่งครั้งนะคะ Onions would be nice too they don't need too much caring for นะคะพ่อก็เลยบอกว่าเอ้าวงั้นก็เอาหัวหอมนะคะจะดีเหมือนกันนะนะคะ would be nice too ก็คือ Onion would be nice too ก็คือหัวหอมเนี่ยน่าจะดีนะ โดเจนนี่ต้องการการดูแลมากก็คือมันเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำหนูบำรุงมากนะคะคำว่าเจย์จ้นนะคะเจย์จ้นนี่นะค ะ, ะ, ค, ะคำว่าเดย์ประโยคหลังที่พูดไปนะคำว่าเดย์เนี่ยก็คือแทนคำศัพท์คำว่าอ่อนเหยินส์นะคะที่แปลว่าหัวหอมนั่นเองค่ะค่ะแม่นะคะก็อาจจะบอกว่า yes นะ Yes นะคはい。 Take good care、mm hmm. นะคะ Take good care of、mm hmm. ก็คือดูแลให้ดีนะคะดูแลมะเขือเทศอย่างดี and care abouts、mm hmm. นะคะแล้วก็ดูแลกระหล่ำปลีให้ดีๆนะ Many kinds of insects like to eat them นะคะ Many kinds of insects like to eat them ตรงนี้นะคะแม่ก็ให้เหตุผลว่าที่ต้องดูแลดีๆเนี่ยเพราะว่า Many kinds of insects นะคะก็คือมันจะมีมแมลงหลายชนิดนะคะ like to eat นะคะที่ชอบมากินเดมนะคะเดมก็คือกินกินพวกผักของเราที่มีอยู่นะคะก็คือ tomatoes and cabbage นั่นเองค่ะค่ะหน่อยนะคะหน่อยที่เป็นลูกนะคะก็เลยพูดขึ้นมาอีกนะคะว่า I think Nick and I could take care of them อีกครั้งนะคะ I think Nick and I คือเทคแคร์เดิมนะคะก็คือฉันเนี่ยก็คิดว่านิดเนี่ยกับฉันเนี่ยนะคะนิดกับหน่อยนีย่คือนิดกับฉันเนี่ยสามารถดูแลผักได้แน่นอนนะคะค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ฟังจะได้รับความรู้นะคะเล็กๆหน้อยๆจากเรื่องของการเพราะปลูกผักไปจากพวกเราสองคนในช่วงแรกนะคะช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www. rukenglish. com slash ปลูกผักภาษาอังกฤษค่ะ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 การโรงแรมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยังมีคุณภาพ ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. Yeah, yeah. มองไปก็มีเธอฟ้นพร้อยปลายในหัวใจก็มีเธอความเห็บนา้า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 よく言うと、ファンディーでジャแล้ววันโลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่าอยากอยู่ดูแลให้เธอーันดีแต่ใจก็รู้ดีコーディーでジャイコーディーでジャイコーディーでジャイコーディーでジนイコーディーでジャイコーงィーでジャイコーディーでジャイコーディーでジ่イコーディーでジャイコーデอーでジャイコーディーでジャイコーディーでジャイコーディーでジャイコーディーでジャイコーデยーでジยイコーディーでジャイコーディーでジャイコーディーでジャตัวฉัน チャグローテンウォーチャイジ いいね。 君たちは、このように、君たちは、このように、君たちは、君たちは、君たちは、君たちは、君たちは、君たちは、君たちは、君たちは、君たちは、君たちは、君たちは、君たちは、君たちは、君たちは、君たちは、君たちは、君たち กลับมาพบกันต่อในช่วงที่สองของรายการอิงเลชเชอรัลยูอีกแล้วนะคะ ทางคลื่น FM แปดสิบเก้าจุดห้าไมเกรอร์สสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตค่ะในช่วงนี้นะคะที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะคะการถามว่าคุณเนี่ยเคยไปไหมเคยกินไหมเคยเห็นไหมหรือไม่นะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะเราจะใช้ได้ไวอย่างไรบ้างคะ หนึ่งในประโยคคำถามสำคัญนะคะที่สร้างอัตลักษณ์ในการสนทนากับชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดีก็คือคำถามว่าเคยหรืออย่างนั่นเองค่ะไม่ว่าจะถามว่าเคยไปเคยกินเคยเห็นนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีรูปแบบที่ไม่ได้แตกต่างกันนะคะซึ่งคำถามลักษณะพวกนี้เราจะใช้ให้อยู่ในรูปของ present perfect tense เองค่ะก็คือเป็นรูปแบบประโยคดังนี้นะคะ Have you ever นะคะแล้วก็ตามด้วยกริยาะะที่เราอยากจะทราบของคู่สนทนานั่นเองค่ะ Have you ever ก็คือคุณเคยนะคะคุณเคยทำอันนั้นอันนี้หรือไม่นั่นเองนะคะค่ะคำถามว่าคุณเคยหรือไม่นะคะภาษาอังกฤษนะคะรูปประโยคเนี่ยของคำถามนี้คือ Have you ever นะคะ Have you ever ตามด้วย verb ช่องที่สามนะคะตามด้วย object ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ Have you ever driven a sports car อีกหนึ่งครั้งนะคะ Have you ever driven a sports car นะคะแปลว่าคุณเนี่ยเคยขับรถสปอร์ตไหมในที่นี้นะคะใช้นะคะคำว่า Have you นะคะตามด้วย ever นะคะตามด้วยคำว่า driving เป็น verb ช่องที่สามนะคะตัวอย่างต่อมาค่ะคุณเคยกระดูกหักหรือไม่นะคะ จำนวนกระดูกหักนะคะเราใช้เป็น break a bone นะคะ break a bone เราก็จะเอามาแต่งเป็นประโยคที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ชีวิตนะคะว่าคุณเคยกระดูกหักไหมถามว่า have you ever broken a bone have you ever broken a bone ตรงนี้ก็คือคุณเคยกระดูกหักไหมเราใช้ have you ever นะคะบวก broken เพราะว่า break นะคะคือช่องที่หนึ่งและ broken คือกริยาช่องที่สามนั่นเองค่ะ ค่ะประโยคต่อมานะคะเราจะถามว่าคุณเนี่ยเคยโกงเข้อสอบไหมนะคะเราก็จะใช้ประโยคนะคะ Have you ever cheated on an exam นะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะ Have you ever cheated on an exam นะคะแปลว่าคุณเนี่ยเคยโกงเข้อสอบไหมในที่นี้นะคะคำว่า cheat นะคะเราเติม ed นะคะเป็น verb ช่องที่สามค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้นะคะ Have you ever เนี่ยเราจะใช้ตามด้วย verb ช่อรงที่สามอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็น present perfect ค่ะค่ะคำถามต่อมานะคะที่เราอาจจะเอาไว้สนทนาได้นะคะถามว่าคุณเคยนอนในเต็นท์หรือไม่ค่ะเราก็จะได้คำถามว่า Have you ever slept in a tent Have you ever slept in a tent นะคะคุณเคยนอนในเต็นท์หรือไม่ค่ะ คำว่า slept นะคะคือกริยาช่องที่สามของ sleep ที่แปลว่านอนนั่นเองค่ะ sleep in a tent ก็คือการนอนในเต็นท์นั่นเองนะคะค่ะคำถามนะคะที่บอกว่าคุณเคยไหมนะคะประโยคต่อมาที่เรานำมาฝากนะคะจะถามว่าคุณเนี่ยเคยเห็นไหมนะคะในที่นี้เนี่ยเราจะใช้คำว่าสิงโตนะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยคกันค่ะ have you ever seen a lion have you ever seen a lion นะคะ แปละว่าคุณเนี่ยเคยเห็นสิ่งโตไหมนะคะในที่นี้นะคะเราใช้นะคะ verb นะคะ ค, คือ verb see นั่นเองนะคะ see saw scene ในที่นี้ก็คือทำเป็นช่องที่สามก็คือเป็นคำว่า scene ค่ะค่ะถ้าเราอยากจะทราบว่าคู่สนทนาเราเนี่ยเคยพบเจอกับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้หรือไม่นะคะเราอาจจะเปลี่ยนเป็น verb meet นะคะ meet แล้วก็อาจจะตามด้วยชื่อบุคคลก็ได้นะคะคือเป็นการพูดคุยพบปะพบเจอก็ได้คะ่ะ เช่นตรงประโยคนี้นะคะ Have you ever met เบิร์ดทงชัย Have you ever met เบิร์ดทงชัยแปลว่าคุณเคยเจอกับเบิร์ดทงชัยหรือไม่ค่ะ met ตรงนี้นะคะก็คือกริยาช่องที่สามของ meet นั่นเองค่ะาการใช้ประโยคไหนนะคะที่เราสามารถมาแทนนะคะประโยคคำว่าประโยคว่า have you ever ได้บ้างนะคะเราจะสามารถใช้ประโยคอื่นแทนได้ไหมนะคะ ในกรณีที่คุณเนี่ยนะคะจะไม่ไม่ใช้ประโยค have you ever นะคะเราเนี่ยก็สามารถใช้นะคะประโยค did you ever นะคะ did you ever มาแทนได้นะคะโดยจะมีโครงสร้างประโยคนะคะต่างไปจากเล็กน้อยค่ะนะคะซึ่งซึ่งถ้าเราใช้ did you ever เนี่ยมันจะใช้อยู่ในรูปของ past tense ค่ะก็คือใช้อยู่ในรูปของอดีตนะคะ โครงสร้างนะคะก็จะเป็น did you ever นะคะตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งนะคะและตามด้วยออบเจกต์นะคะก็คือกรรมคือส่วนขยายต่างๆนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะถ้าเราต้องการถามคู่สนทนาว่าคุณเคยเจอสิงโตหรือไม่เราก็จะถามว่า did you ever see a lion did you ever see a lion แปละว่าคุณเคยเจอสิงโตหรือไม่ค่ะ ค่ะถ้าเกิดเจอคำถามลักษณะนี้นะคะเราก็อาจจะตอบง่ายๆค่ะว่าถ้าเราเคยเห็นนะคะเราก็ตอบไปค่ะว่า yes I did นะคะ yes I did นะคะและอาจจะขยายว่าฉันเนี่ยเห็นเมื่อปีที่แล้วนะคะว่า I saw it last year นะคะ I saw it last year ก็คือฉันเนี่ยเห็นมันเมื่อปีที่แล้วค่ะค่ะ ต่อมานะคะเรามีประโยคปฏิเสธนะคะซึ่งเป็นประโยคปฏิเสธนะคะเป็นแบบ percent perfect นะคะมาฝากนู้ดฟังกันค่ะค่ะการทำประโยคปฏิเสธนะคะก็ง่ายง่ายค่ะเพียงแค่เติมคำว่า not นะคะหรือจะเลือกใช้คำว่า never หลังกริยาช่วย have has เท่านั้นเองค่ะโครงสร้างนะคะก็จะเป็นประธานนะคะตามด้วย has หรือ have ตามด้วย not และตามด้วยกริยาช่องที่สามนั่นเองค่ะ ค่ะตอนนี้มาดูนะคะโครงสร้างแรกนะคะเราจะใช้ has have นะคะบวก not นะคะจะแปลว่าไม่ได้นะคะส่วนโครงสร้างที่สองนะคะเราจะใช้ has have นะคะบวกด้วย never นะคะก็จะแปลว่าไม่เคยคะ่ะค่ะเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะการใช้ hasn't haven't กันบ้างนะคะ she hasn't studied English since July she hasn't studied English since July แปล ว, ว่าหล่อนเนี่ยไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษแล้วนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ก็คือเราเป็นการสื่อนะคะว่าหล่อนเนี่ยเรียนตั้งแต่มิถุนายนแล้วนั่นเองค่ะแต่ว่าพอถึงเดือนกรกฎาซินจ์ไลน์ตั้งแต่เดือนกรกฎาเนี่ยชี้นะคะชี้เนี่ยแฮซึ่นสตูดี้ สตัตดี้นะคะเราเปลี่ยนวายเป็นไอแล้วก็เติม ed นะคะชี้ฮะซึ่งสตัตดี้อังกฤษหล่อนเนี่ยก็ไม่ได้เรียนต่ออีกเลยค่ ะ, คะมาดูการใช้ประโยคปฏิเสธนะคะแบบ present perfect กันนะคะโครงสร้างนี้นะคะจะใช้ has not นะคะเราตามด้วย verb สามค่ะ he has not worked in the garden since eight o'clock ยิงครั้งนะคะ he has not worked in the garden since eight o'clock ความหมายของประโยคนี้นะคะคือเขาเนี่ยไม่ได้ทำงานนะคะไม่ได้ทำงานแล้วค่ะไม่ได้ทำงานแล้วในสวนตั้งแต่แปดโมงเช้าแล้วนะคะแต่ในความหมายเนี่ยเขาอาจจะทำตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราใช้ has not worked สามนะคะจะแปลว่าไม่ได้ค่ะตัวอย่างต่อมานะคะ it hasn't rained for three hours it hasn't rained for three hours ประโยคนี้นะคะแปลว่าฝนเนี่ยไม่ได้ตกนะคะเป็นเวลาสามชั่วโมงแล้วค่ะ เรียกต่อมานะคะ A boy had not played football since three o'clock หนึ่งครั้งเลยค่ะ A boy had not played football since three o'clock ความหมายนี้ก็คือเด็กผู้ชายเนี่ยนะคะหรือเด็กชายเนี่ยไม่ได้เล่นฟุตบอลเนี่ยแล้วนะคะตั้งแต่สามโมงแล้วนะคะในความหมายคืออาจจะเล่นมาตั้งแต่บ่ายสองแล้วก็ได้ค่ะ เดี๋ยวมาต่อกันที่ has หรือ have นะคะแล้วตามด้วย never นะคะตามด้วยกริยาช่องที่สามนะคะซึ่งให้ความหมายว่าไม่เคยนั่นเองค่ะตัวอย่างแรกนะคะถ้าเราจะบอกประสบการณ์นว่าเราเนี่ยไม่เคยดื่มเบียร์เลยนะคะเราก็จะบอกว่า I have never drunk beer นะคะ I have never drunk beer ผมไม่เคยดื่มเบียร์เลยหรือถ้าจะพูดย่อนะคะเราก็ทำ have has นะคะเรือเป็น นั่นเองค่ะหรือนั่นเองค่ะก็จะได้ว่า I've never drunk beer นั่นเองค่ะค่ะประโยคนะคะที่แปลว่าไม่เคยนะคะใน 100% per perfect ค่ะ We have never eaten rice、right. อีกหนึ่งครั้งนะคะ We have never eaten rice、right. นะคะความหมายก็คือพวกเราเนี่ยไม่เคยกินข้าวเลยนะคะในที่นี้นะคะใช้ have never ตามด้วย eaten นะคะซึ่งเป็น verb ช่องที่สามค่ะแปลว่าไม่เคยเลยค่ะ ค่ะหรือถ้าจะบอกประสบการณ์นะคะว่าไม่เคยล้างรถเลยนะคะก็อาจจะใช้เป็นประธานอื่นๆก็ได้นะคะ They have never washed the car อีกหนึ่งครั้งนะคะ They have never washed the car ก็คือพวกเขาเนี่ยไม่เคยล้างรถเลยค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.rakenglish.com นะคะและอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะก็ได้มาจาก เวอร์ไวย์เว็บดอทภาษาอังกฤษออนไลน์ดอทคอมนั่นเองค่ะค่ะวันนี้รายการของเรานะคะก็หมดเวลาลองแล้วกลับมาพบกับรายการอิงลิสอาราวูได้ใหม่ในวันพุธหน้าช่วงเวลาตีสี่ตีสี่ครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรี